ข้อที่สี่แม้เมื่อภิกษุเข้าไปสู่ที่ฟังธรรมตามกาละอันสมควรนะนะฟังอยู่โดยความเคารพไม่ใช่ไปอยู่ที่ฟังธรรมแล้วไปหลับในที่ฟังธรรมไปชวนคุยในที่ฟังธรรมไปทําธุระในสถานที่ฟังธรรมเนี่ยนะก็บอกโอ้ยทางว่วงมากกวนอนให้พอก่อนแล้วค่อยมาอันนี้อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองถ้ามีธุระก็คุยกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเขาไม่ว่าหรอกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าสถานที่คุยอริยสัจดันมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะปรึกษาอะไรก็ไม่เข้าใจเลยกลายเป็นคนละเรื่องคนละราวไปเลยเพรันการฟังธรรมก็คือฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความตั้งใจฟังฟังฟังเพื่อปรารถนาจะรู้ว่า เ, าเรื่องนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยเป็นอะไรถ้าบอกว่าถ้าไม่ดีเอาไม่ดีแล้วมาทําไมถ้าไม่ชอบเอาไม่ชอบแล้วมาทําไมพรา ะ, ะก็ต้องเอาให้มันถูกว่า ประโยชน์เรื่องของเรื่องนี้มันคืออะไรและเรามีความประสงค์อะไรผู้ที่เขาบอกเขาสอนและเขาสอนอะไรเราต้องการจริงหรือเราอะไรจริงหรือเราพยายามที่เรียกว่าจูนคลื่นให้มันเข้าหากันได้แล้วมันก็สื่อสารกันได้แล้วมันก็ติดต่อกันได้การเจริญในธรรมวินัยมันก็เป็นเป็นไปด้วยประการอย่างนี้ไม่อย่างนั้นมันจะสูญเสียเวลากัน ทุกฝ่ายแล้วก็ต้องเข้ามาบริหารจัด ก, การ้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องไปหมดเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาแล้วมันต้องแก้เนี่ยมันเสียเวลามากนะีนะเนี่เวลานี้มันก็เย็นไปแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเหมือนกันกนะ็มาไม่อยู่เกินร้อปีโรกนี่ข้อต่อไปอันสุดท้ายก็คือการวินิจฉัยสิ่งที่เป็นฐานะและก็ไม่ใช่ฐานะอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นฐานะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ก็แยกอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรไม่ใช่เหตุเป็นของอะไรเช่นทุจริตเนี่ยเป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของทุกขผู้จริตไม่ใช่เหตุของสุขสุจริตเป็นเหตุของสุขไม่ใช่เหตุของทุกเป็นต้นเนี่ยวินิจฉัยว่าอะไรเป็นเหตุผลอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเหตุคืออะไรถ้าเหตุอย่างนี้แล้วผลต่อไปมันควรจะเป็นอะไรการวินิจฉัยใคร่ครวนแบบนี้ก็ทําให้ละโมหะวิธีละโมหะจึงมี5้าอย่าง 1. อยู่ร่วมกับครูสองเรียนธรรม 3. ส, สอบถาม 4. ี่ฟังธรรมตามการแล้วก็ 5. วินิจฉัยธรเนี่ยนะมีอยู่5ประการด้วยกันจริงๆแล้วถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นท่านบอกว่ากรรมาฐานทั้ง38จเจริญข้อใดก็กำจัดอากุศลวิตกได้แต่ไม่ระงับได้ตรงตัวไม่เหมือนกับ5ข้อที่กล่าวไปแล้ว 1. ถ้าโลภะเกิดในสัตว์ทั้งหลายจเจริญอาการ32เหมาะที่สุด ถ้าโลภะเกิดในบริขารข้าวของเครื่องใช้จเจริญอนิจจะสัญญาเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีสองถ้าโกรธคนอื่นทั่วไปอันนี้จเจริญเมตตาถ้าโกรธข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นเนี่ยนะก็จะเจริญธาตุกรรมฐานถ้างโง่อ่ะนะอยู่ร่วมกับครูเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้วิธีการวันห้าข้อนั้นจึงเป็นวิธีกําจัดราคะโทสะและโมหะอันเมชชื่อว่านิมิตอื่นเนี่ยนะพอจะเจริญไปจเจริญไปมันก็เป็นนะบางทีจเจริญกรรมฐานเนี่ยนะ จเจริญไปจเจริญไปโลภะมันเกิดอาก็ต้องมาแก้โลภะกันจเจริญไปจเจริญมาโทสะมันเกิดก็แก้โทส ะ, จะเจริญไปเอาเรามีความรู้ไม่พอเมื่อมีความรู้ไม่พอก็แปลว่าโมหะถ้าโมหะเกิดขึ้นมันทําอย่างไรเนี่ยแล้วก็ต้องหาข้อมูลให้พอเนี่ยนะเหตุเหตุทประการทําให้ฉลาดขึ้นอันนี้ชื่อว่าข้อที่หนึ่งอันนั้ข้อแรกในในข้อ258เนี่ยนะวิธีการกําจัดขุดรากเงาอากุศลวิตก ข้อที่สองว่าดูกรภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวเอ้มันแก้มาหมดแล้วนะมันทําไมมันยังเป็นอกุศลอยู่เรื่อยๆ แก้ที่เจริญอสุภะก่อแล้วเจริญเมตตาก่อแล้วอยู่ร่วมกับครูเรียนมามากก่อแล้วเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนี้อกุศลทําไมมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่าอากุศลนี่เป็นมิจฉามรรคเนี่ยนะไม่ใช่มรรคไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกข์ทําไงดีอกุศลมันเกิดขึ้ น, แ ร, นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะมันยังเรียกว่าประทุขึ้นประทุขึ้นํานวนถ้าเป็นแผลแผลก็หมายความว่า เช็ดหนองออกไปแล้วหนองก็ยังไหลออกมาอีกเช็ดเลือดไปแล้วเลือดก็ยังไหลเข้ามาอีกปล่อยให้มันไหลต่อไปใช่ไหมอยากไหลนะก็ปล่อยให้มันไหลไปเขาไม่คิดกันอย่างนี้หรอกฉันใดอากุศลวิตกที่มันไหลออกมาเรื่อยๆก็ฉันนั้นก็ต้องหาวิธีแก้กันวิธีแรกก็เปลี่ยนนิมิตก่อนแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษพิภัยทุกโทษของอากุศ ล, ลวิตกเหล่านั้นว่า วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลเป็นอย่างนี้มันเป็นอกุศลนะเนี่ยไอ้ความคิดอย่างนี้มันเลวมากเหมือนกันเถอะอกุศลเพราะอะไรเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดเป็นตัวที่ทําลายกุศลสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองมันมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษและอกุศลและวิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในมีโทษทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยนะเป็นโทษต่อสมถะและ วิปัสนาอากุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกขเป็นวิบากล้วนแต่มีทุกขให้ผลเป็นทุกทั้งในปัจจุบันเป็นให้ผลเป็นทุกทั้งต่อต่อไปในอนาคตอากุศลวิตกเหล่านี้อะอย่างที่ว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นเป็นทีนี้อาเราจะปล่อยให้อากุศลวิตกมันลั่งอลังไหลพรั่งทูเรียบพร้อมเกิดมากๆเกิดบ่อยๆอย่างนี้หรือ เมื่อเธอพี่จาจรณาโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือพอเห็นโทษมันมากๆเข้าก็ไม่เอาแล้วนะใช่ไหมเรียกว่าอาหารที่พอรู้ว่าเหม่มันมีพิษนะมันมีโทษนะรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าเอก็เลยไม่เอาแล้วเนี่ยนะ กลายเป็นเบื่อนายเนี่ยนะเหมือนคนติดยาเสพติดถ้าเห็นโทษยาเสพติดที่ตัวเองติดอยู่ใจมันก็ไหนที่สุดก็เบื่อก็เลยทิ้งยาเสพติดชนิดนั้นไปเลยฉันใดเพราะละวิตกันเป็นบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนันแล ดูก่อนทิ้งสุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขซากศพมนุษย์ที่แขวนติดไว้ที่คออนนี้เอาไหมเอาศพมาแขวนคอสักศพหนึ่งศพงูก็ได้ศพ ส, สุนัข ก, ก็ได้ขึ้นอึดข้างทางจับมาแขวนคอเลยไนะหรือไม่ก็ศพมนุษย์ที่ตายขึ้นอึดเนี่ยนะก็รอยนะแขวนคอเป็นยังไงคนรักสวยรักงามแล้วศพแขวนคอเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหม ไม่ใช่ศบใส่กรอบมั้นะแต่ว่าศพจริงๆเลยนะเมนคลาบคละคลุงเอาแบบนั้นเลยแหละเอาคลา ว, ว่าไม่น่าสนใจฉันใดภิกษุนั้นก็เหมือนการถ้าหากว่าเธอมาณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกนะคือเจริญข้อแรกเจริญยังไงก็แล้วอวิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของอกุศ ล, ลวิตกเหล่านั้นว่า อกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้อกุศ ล, ลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลอย่างนี้มีโทษอย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากให้ผลเป็นทุกขอย่างนี้อย่างนี้เมื่อ <me S 2> พิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่<ท>วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในแลอันะนครับเราวิธีชำระเกลียดรังเกียดอกุศลนั้นเห็นอกุศลนั้นเหมือนศพเลยว่างั้นเถอะศพเป็นแบบอะไรนะเป็นถ้าเป็นศพที่ติดเชื้อโรคด้วยเอาไงศพติดเชื้อด้วยนะโอ้แขวนคอเอาไว้เนี่ยนะถ้าเป็นศพมนุษย์ก็ติดโรคติดต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าศพสัตว์ก็แต่ก็แบเปื้อนโรคติดต่อเป็นต้นเนี่ยแหม มันน่ารังเกียจชันใดเห็นโทษของอกุศลวิตตกฉันนั้นเนี่ยนะพิจารณาเห็นพิษภัยว่าอากุศ ล, ลวิตตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่เราทําลายประโยชน์ตนเพียงใดเนี่ยนะมันมีโทษมากมายเพียงใดทําให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่ อ, ตอไปอย่างไรเนี่ยนะก็เลยพิจารณาแบบนี้มากๆก็จะละอกุศลวิตกได้ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยนะวิธีที่สาม ดยความพิสูจน์ทางหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของอกุศลวิตกนั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะเอ๊มันไม่ยอมสักทีนะมันยิ่งเกิดหนักเอ๊มันมันไม่ยอมอะ่ะมันจะไปยอมได้ยังไงอ่ะนะเพราะเจริญมันมาตั้งนานใช่ไหมไม่ยอมง่ายๆหรอกเนี่ยนะอกุศลวิตตกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะยอมง่ายๆเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนเราปล่อยตามใจมันมามัน ปล่อยตามใจมันมามากก็วิธีแก้เท่านี้บอกไม่ได้ผลบอกว่าอากุศลมิตกมันหัวเราะเอาเลยนะบอก ว, วิธีที่ผ่านมานมันยังใช้ไม่ได้ไม่เหมาะกับชั้นหรอกว่างั้นดูก่อนพิสูจน์ทางหลายพิกษจนนั้นพึงถึงไม่ต้องนึกไม่ต้องใส่ใจถึงมิตกแล้วนะบอกว่าพอแล้วไม่ต้องมาเอามาคิดแล้วพอแล้วเนี่ยนะคือบอกตรงๆบอกว่าพอแล้วพอกันทีอกุศลมิตกแล้วบอกยกเลิ ก, กว่างั้น บอกยกเลิกอกุศลวิตตกบอกพอพอพอพอเธ <behav> อพาฉันคิดอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่หรือคิดอย่างนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่นะสมมติว่าเธอพาฉันชอบสิ่งเนี้ย<ซ>ชอบมานานแล้วใช่ไหมมันช่วยอะไรได้บ้างเอาไม่ได้พาโกรธอย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือพาโง่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือมันพอกันทีแล้วนะอะไรนะบอกเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะดูความพิสูุ์ทั้งหลายภิกษุนนั้นเนี่ยนะ เมื่อเมื่อไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นไม่นึกถึงไม่ใส่ใจอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภโทสะและโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละ ว, วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหลดูก่อนพิสูทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านเขาก็หลับตาเสียหรือเหลี้ยวไปทางอื่นชันใดเคยนั่งรถไหมนั่งรถตรงไหนที่เราไม่อยากเห็นทงไหนก็หลับตาซะถ้านั่งรถผ่านบางที่ที่เราไม่อยากเห็นเราก็หลับต า, านะหรือไม่ก็หันหน้าไปทางอื่นซะก็หมดเรื่องหรือไม่ถ้าแบบกลิ่นที่ไม่พึงใจก็เอาผ้ามาปิดจมูกแล้วก็รีบไปใ ห, ให้มันพน้นพ้นตรงนั้นก็จบกันนะนะ เพราะฉะนั้นอกุศลวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าหากว่าพี่จารณาโทษอกุศลวิตกอยู่มันก็ยังเกิดเรื่อยๆ อ, อีกภิกษุนั้นก็ไม่พึงใส่ใจไม่พึงนึกถึงวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายใน น, ยนั่นแหละนะก็กระวมไม่ต้องไปสนใจมันนะนะที่นี้เอไม่สนใจมันก็แก้ปัญหาได้ชั่วคราว เอวันก่อนเนี่ยนะวิธีนี้มันได้ผลเอวันนี้ชักไม่ได้ผลแนละ้อักุศลวิตตกเอาอีกแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับหนองเนี่ยมันก็ทะลักขึ้นมาอีกแล้วแก้ฝีตรงนี้ได้ฝีตัวนั้นก็ขึ้นปูดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเนี่ยนะโอ้ยเช็ดล้างกันเถอะมันกัน น, นี้ก็เหมือนกนอารอักุศลวิตตกมันก็ผิดร้ายเลวร้ายเหมือนกับห อ, อกเหมือนกับฝีนั่นแหละทำไงคือพอแต่วันนึกไม่นึกถึงไม่ใส่ใจถึงวิตกนั้นอยู่อักุศลวิตกที่เป็นบาปอกุศล ประกอบด้วยฉันทะคือประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะมันก็ยังโตเอาโตเอายังเกิดอีกในร่มมันเอาอีกแล้วเนี่ยนะอกุศลมันเกิดอีกแล้วทําไงบอกว่าคนที่เป็นนี้ก็เหมือนกับรักษาโรคนะรักษาไปมันหายแล้วก็มันอันใหม่เกิดใหม่ก็รักษากันต่อไปอย่างเงี้ยอากุศลวิตตกก็เหมือนกันถ้ามันเกิดต่แก้กันไปเนี่ยนะก็วิหาวิธีแก้แก่วิธีนี้เออตอนแรกมันได้พ้นเอาตอนหลังไม่ได้พ้นเองนะฮะวิธีใหม่ นแก้เอกแก้แล้วมันได้ผลเอ้าวิตอนหลังมันก็ไม่ได้ผลอีกฮะวิธีใหม่ไปเรื่อยๆทีนี้กตอนนี้ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรมโนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นคือไปพิจารณาเลยว่าอากุศลวิตกเหล่าเนี้มันเกิดจากปัจจัยอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญให้เอาเรื่องนี้มาคิดทาไมเราต้องคิดอย่างนี้ด้วย ทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ความคิดอันนี้รากเงาสกรารมาจากไหนมางั้นเถอะเขากว่ารื้อบัญชีให้หมดเลยก็ว่าเอ้ที่จริงอค่ะค่าก็าว่ามันทะลักอย่างนี้มาเรื่อยๆน้ำหยดหยดติ้งติ ง, ต ง, ตงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องหาเขาบกว่าขุดอล้องขุดแล้วว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆอะมันเกิดจากอะไรเมื่อเธอมนานสิการวิสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่ ก็ว่าสังขารของวิตกเหล่านั้นคืออะไรบ้างก็บอกว่าวิธีแก้ปัญหาสันขานเนี่ยหมายถึงเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดอกุศลมิตกเนี่ยนะ เ, เหตุปัจจัยตัวใดนาะทําไมเราต้องคิดเรื่องนี้ทำไมต้องคิดเรื่องนี้บ่อยจังเนี่ยนะมันเกิดอะไรเพราะว่ามันความอะไรมันอะไรอยู่ในใจเราหรือเปล่าทําไมเราต้องเก็บเรื่องนี้มาคิดบ่อยเหลือเกินเนี่ยนะเมื่อเธอมาศิการสังขานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันท่าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแหละดูก่อนพิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเพ่งเดินเร็วเขาก็มีความคิดอย่างนี้เราจะเดินเร็วทําไม ถ้าการะไรเราค่อยๆเดินพอค่อยๆเดินก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าแล้วเราจะค่อยๆเดินไปทาําไมเราก็ควรยืนเขาก็หยุดยืนเมื่อยืนเสร็จแล้วเราจะยืนไปทําไมเราควรนั่งพอนั่งไปก็นั่งไปทําไมนอนดีกว่าก็เลยนอนฉันใดก็ดีดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นค่อยๆผ่อนอิริยาบถหยาบหยาแล้วก็สําเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉันใดพิสูจนนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันก็มณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกว่าคือราช เง่าขั้วมันมาอย่างไงมันมาจากไหนรังมันคืออะไรก็เรียกว่าขุดขหารังมันเลยเอเนี่ยมันแสดงว่ามันบินมาจากถ้ามาทั้งท่าอะไรนะหนูมันออกจากตรงนี้บ่อยๆก็แสดงว่ามันมีรังอยู่ตรงนั้นนะก็เรียกว่าขุดไปหารังก็เรียกว่าหารังหนูหารังงูหารังตัวแมลงทั้งหลายก็เรียกว่าหารังแล้วก็ยกรังทิ้งซะตัดปัจจัยแห่งอกุศลวิตกเหล่านั้นซะอันนี้ถ้าทําได้อย่างนี้จิตก็ตั้งมั่นเป็นธรรมเอก ผลดขึ้นหมายว่าก็สามารถที่จะเข้าฌานได้